อัตถก า, นาหน้าหน้าอะไรดีก็เริ่มอธิบายทางกันหน้าหกสิบสามย่อหน้าตรงคำว่าเก้าสิบเอ็ดเห็นไหมอ่า น, นะวงเล็บโน้ตไว้ว่าหนนะึ่งะโน้ตที่ข้อเก้าว่าหนึ่งแล้วก็ทางนี้หนึ่งพอหน้าสี่เอ่อหน้ากลับมาที่บาลีนะหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ตรงกลางเลยตรงกลางหน้า ในการเมื่อเรายัางลงสู่พระคัมเนี่ยนะเห็นคำตรงนั้นนะงเล็บไว้ว่าสองพราะว่จจะอธิบายในหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดในย่อหน้าพนางพุษธีนั้นเข้าใจนะองเล็บว่าสองนะก็คือให้รู้ว่าจะอธิบายที่หน้าไหนเพราะว่าตอนอธิบายจริงเนี่ยจะไม่บอกหน้า ในหน้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าเนี่ยนะหน้าหนึ่งห้าห้าในการเมื่อเรานับลงบรรทัดที่สในการเมื่อเราเป็นทารกมีอายุแปดขวบเนี่ยนะแปดปีเนี่ยอันนี้คำอธิบายจะอยู่หน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหน้าหนึ่งร้ยเจ็ดิบเอ็ดย่อหน้าองค์เละสามเมื่อชนได้แดพันษา เป็นสามเป็นถือว่าสามอธิบายลำดับที่สามส่วนกลับมาหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบห้าอีกนับขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดในเดือนเพนนับขึ้นเจ็ดบรรทัดนนะหน้าหนึ่งรนะ้อยหสิบห้าในเดือนเพนวันอุโบสถตรงนี้วงที่สี่ใช่ไหมที่สี่คาอธิบายหน้าหนึ่งร้ยเจ็ดสิบสาม บรรทัดที่หนึ่งพอดีเลยพระโพธิสัตว์นะให้รู้ว่าตรงนั้นนี่มาหน้าหนึ่ง้อยห้าสิบหกหน้าหนึ่งร้ยห้าสิบหกนับขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้านับขึ้นบรรทัดที่ห้าเพราะเราให้พยาคตสารนั้นอันนี้วงเล็บ ท, ที่เท่าไรที่ห้านะคำอธิบายอยู่หน้าหนึ่งร้อยเจ็สิบเจ็ด หน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคือนับขึ้นนับขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าบรรทัพที่ห้าเพราะเราอมาัดนะพวกคำว่าเราอมาัดในหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดทีนี้ต่อไปหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนับขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเราให้ม้าสินทบอันนี้เป็นวงเล็บที่เท่าไหร่ที่ห ที่6เมียที่บหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบสามหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบสามย่อหน้าเห็นไหมจริงอยู่พระมหาสัตว์จริงอยู่พระมหาสัตว์ในวงเล็บว่าหกทีนี้ส่วนในหน้าหนึ่งรอยห้าสิบเจดอีกนั่นแหละนับขึ้นหนึ่งสองสามบรรทัดที่สามมาได้กล่าวกับพระนางมัสซีเนี่ยนะอันนี้เป็นวงเล็บที่ที่เจ็ด คำอธิบายอยู่หน้า184ย่อหน้าสุดท้ายลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ตรัสว่าหน้า184เจนตอนมาที่หน้า159ตรงกลางเลยตรงกลางหน้าที่บอกว่า ในการนั้นพระราชาคือเจ้าหกหมื่นองนะในการนั้นนี้เป็นวงเล็บที่ที่แปดคำอธิบายจะอยู่หน้าหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดย่อหน้าบนพอดีเลยพระมหาสัตว์ นี่ในหน้า159ตามเดิมอีกนับขึ้นสามบรรทัดบรรทัดที่สามว่าเท้าสักกะจอมเทวดานี่เป็นย่อหน้ า, าวงเล็บที่เท่าไรที่เก้าคำอธิบายอยู่หน้า188ย่อหน้าล่างลำดับนั้นพระมหาสัตว์เนะี่ยนะย่อหน้าล่างในหน้า160ตรงกลางหน้าอีก เมื่อเราอยู่ในป่าใหญ่นี่วงเล็บที่เท่าไหร่ที่สิบใช่ไหมไปดูอักคำที่บายหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดย่อหน้าย่อหน้าที่สองหน้าหนึ่งร้ยเก้าสิเอ็ดย่อหน้าที่สองบอกเมื่อกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์เนี่ยนะอันนั้นเป็นวงเล็บที่สิบส่วนกลับมาหน้าร้อยหกสิบตามเดิมบรรทัดสุดท้ายเท้าส ก, กะ แปลงเพศเป็นพราหมณ์อันนี้คำอธิบายอยู่หน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนั่นร้อยเก้าสิบเจ็ดย่อหน้าพอดีเลยลำดับนั้นหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดก็บรรทัดที่หนึ่งเลยแหละหน้าหนะึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะเจมพาร นี่มาดูหน้า161นับขึ้นบรรทัดที่4หน้า161นับขึ้นบรรทัดที่4อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นวงเล็บที่12คำอธิบายอยู่หน้า209โอ้อะไรจะไกลขนาดนั้นนะเจ้าาน หน้า161นับขึ้นบรรทัดที่สี่อ่ะนะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็คือคอาอธิบายอยู่ในหน้า209ย่อนหน้าเทา้าสกกรัดว่าในวงเล็บที่12ส่วนวงเล็บที่13หน้า162นับลงบรรทัดที่สี่อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งคอาอธิบายอยู่หน้า221 ย่อหน้าสุดท้ายลำดับนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยออหน้าสองสบอดสองหนึ่งหนึ่งะย่อหน้าล่างอันนี้ถือว่าจนพรจนพรเป็นงองค์รับที่สิบสาก็ถือว่ารู้กัน เช่นพานาในหน้าหนึ่ง้ยหกสิบสองใช่ไหมบาลีอยู่หน้าหนึ่ง้ยหสิบสองนับลงบรรทัดที่สี่อีกครั้งหนึ่งคำอธิบายอยู่หน้าสองยี่สิบเอ็ดเท่าไหร่นะสองโสิบเอดท่าที ขอทอโทษส1ยอ่อดหน้าล่างะนะยอหน้าล่างลำดับนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยคือเนื่องจากว่าในเรื่องเนี่ยนะเนื้อหาค่อนข้างยาว อ, อธิบาอ่านไปรวดเดียวจบแล้วกลับมาย้อนใหม่ก็เท่ากับโอหลายรอบมากแต่ที่อ่านบาลีอัตถกาถาควบคู่กันไปเลย มาเข้าเรื่องของเราต่อข้อความในจริยาปิดกเวสันตระจริยาจากชาดกเรื่องนี้ทำให้เราเห็นการเจริญกุศลของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะถ้าท่านไม่ดำรงอยู่ในคุณธรรมสองประการท่านไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมจนได้ท่านไม่สามารถที่จะ สังสมบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าคุณธรรมสองประการนั้นก็คืออะไรคือบุญยะบุญยะสัมภาระนะนะสัมภาระคือบุญคือการรวบรวมสังสมบุญการรวบรวมสังสมบุญก็อาศัยยาณะสัมภาระยาณะสัมภาระคือความรู้ความเข้าใจนนะนะความรู้ความเข้าใจนี่เป็นตัวที่สาคัญที่สุด เพราะว่าในการบำเพ็ญบุญทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาสิ่งที่เหมือนกันหมดคือการได้รับการคัดค้านคนที่เห็นด้วยมีไม่มากนกะเว้นไว้แต่บัณฑิตทั้งหลายนะเว้นไว้แต่คนที่เห็นว่าบุญกุศลเป็นสาระเขาจึงจะอนุโมทนาแต่ถ้าเป็นทั่วทั่วไปแล้วจะไม่อนุโมทนาเพราะอะไรเขาจึงไม่อนุโมทนาในการบำเพ็ญบุญ เพราะเขาไม่รู้ผลแห่งบุญเขาไม่รู้อนิสงฆ์แห่งบุญเขาเกิดมาเขาไม่มีปัญญาประกอบเมื่อไม่มีปัญญาประกอบเขาจึงไม่รู้ว่าบุญทําแล้วดีอย่างไรก็อย่างที่พระองค์ตรัสว่าเนื่องจากเขาไม่รู้ผลแห่งการให้ทานเหมือนดังเช่นที่พระองค์เห็นเหมือนอย่างเช่นที่พระองค์รู้เขาจึงประมาทเขาจึงไม่ให้ทานนะ่นเองปั ในเรื่องของพระเวสสันดรเนี่ยนะความประพฤติของพระเวสสันดรก็ในยะเดียวกันเนื่องจากว่าคนทั้งหลายไม่ได้มีความรู้ในบุญกุศลเหมือนกับพระองค์ท่านเมื่อไม่รู้จึงมีการคัดค้านแล้วก็ค้านเนี่ยนะมันมีค้านอยู่สองกลุ่มค้านในสมัยเป็นพระเวสสันดร อ, อันนั้นก็ถึงกับไล่ท่านออกบ้านออกเมืองเลยนี่ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือค้านในจิตใจของผู้ฟัง บอกคนอะไรจะทำได้อย่างนี้นะก็ตำหนดพระเวสสันดรคนที่สันเสรินพระเวสสันดรมีไม่มากนะมีไม่มากโดยมากก็จะตำหนิเรียกว่าไม่มุทิตาคนผ่านมุทิตาไม่ได้ความดีคนผ่านมุทิตาไม่ได้ขณะเดียวกันความชั่วบัณฑิตก็ไม่ยินดี สังเกตดูนะเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานเนี่ยนะคนชั่วคนพานทั้งหลายจะไม่อนุโมทนาแต่ถ้าเกี่ยวกับความตนีเกี่ยวกับการฆ่าเป็นต้นคนพานสรรเสริญยกย่องอันนี้ทำให้เห็นว่าผู้ที่เขาตั้งอยู่ในบุญกุศลจริงๆแล้วก็ไม่มากนักนะ ของเราก็ถือว่าไม่มากก็ดีแล้วเอ่อก็ถือว่าขอให้ยังมีเราที่ยังฝักใฝ่ในคุณงามความดี ฝ, ฝักใฝ่อยู่ในบุญกุศลเห็นว่าบุญกุศลเป็นสิ่งที่เป็นสาระมาดูเวสันตรจริยาต่อไปว่าในข้อเก้านางกษัตริย์นามว่าพุทธีพระชนนีของเราพระนางนี้เป็นมเหสีของท้าวสกะในชาติที่ล่วงมาแล้ว เท้าสักกะจอมเทพทรงเห็นว่าพระนางนี้จะสิ้นอายุจึงตรัส ด, ดังนี้ว่าเราจะให้สิบเราจะให้พรสิบประการแก่เธอนางผู้เจริญจะปรารถนาพรอะไรเรียกว่าอยู่ๆแล้วก็เรียกมาให้พรเลยนะเท้าสักกะแล้วก็เรียกมาให้พรพอเท้าสกกะตรัสอย่างนี้เท่านั้นพระเทวีนั้นได้ทูลกับเท้าสกกะดังนี้ว่า หม่อมฉันมีความผิดอะไรหรือหรือพระองค์เกลียดหม่อมฉันเพราะเหตุอันใดจึงจะให้หม่อมฉันเคลื่อนคือตายจากสถานอันน่ารื่นรมเหมือนลมพัดให้ต้นไม้เนี่ยวันไหวฉะนั้นมีความผิดอะไรหรือไปทำบาปทำกรรมอะไรมาพระองค์จึงไล่นี่นะไล่ให้ไปเกิดชาติหน้าเลยว่างั้นเมื่อพระนางผุสดีตรัสอย่างนี้แล้วเท้าสักะได้ตรัสกับพระนางดังนี้ว่า เธอไม่ได้ทําความชั่วเลยและเธอจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้คือเธอเนี่ยทําความดีเธอเป็นที่รักของเราแต่อายุของเธอมีประมาณเท่านี้เองเวลานี้เป็นเวลาที่เธอจะต้องจุติคือเคลื่อนจากจากตุอาจดาวดึงเธอจงรับเอาพรสิบประการอันประเสริฐที่สุดที่ฉันจะให้ พนางพุษสดีนั้นก็มีพระไทยยินดีร่าเริงเบิกบานพระไทยก็รับนะเข้าใจว่าตัวเองก็ต้องเคลื่อนแน่ละก็ทรงรับเอาพรสิบประการซึ่งเป็นพรอันเท้าสกกะระราชทานทรงทำเราไว้ในภายในนะก็เป็นพรในในใ น, ในบรรดาพรเหล่านั้ น, น่ะปรารถนาที่จะให้มีลูกแบบพระเวสสันดร น, นี่แหละในบรรดาพรสิบข้อนะมีอยู่ข้อหนึ่งคือขอให้มีลูกเหมือนพระเวสสันดร พนางผุสดีนั้นจุติจากดาวดึงนั้นแล้วมาบังเกิดในตระกูลกษัตริย์ได้สมาคมกับพระเจ้ากรุงสนชัยคือเป็นมเหสีของพระเจ้ากรุงสนชัยในพระนครเชตุดรนนี่ก็เป็นเรื่องราวในจริยาปิดกโดยย่อมาดูอัตถกถาที่อธิบายเรียบเรียงตามอัตถกถาชาดกหรือตามชาดกถามว่าพนางผุสดีนี่คือใครเนี่ยนะ ก็พูดถึงประวัติของพระนางผุสดีนั้นในอดีตชาติเมื่อแสนกัปที่แล้วนางก็ตั้งความปรารถนากับพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นเพื่อเป็นพุทธมารดานะนางก็เป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาตลอดเรื่อยๆมาจนถึงกัปที่91ถอยจากกัปนี้ก็คือทําบุญมาแล้ว99้าห้าร้ย 900 900 9 0้าร้อ่เก้าร้อเกับนั่นนะ อ, อ้าวขอใช่ทำบุญมาแล้ว 90, 9ก้0หมื่นเกแล้วก็อีก9กับขาดอีกไ่้เก้าสบเกับนี่นะกถถถถ็ถือว่าถอยหลังจากนี้ไป91กับในกับนั้นพระาศาสดาพระนามว่าวิปัสสีอุบัติขึ้นในโลกเมื่อพระาศาสดาพระนามว่าวิปัสสีประทรับอาศัยอยู่ที่ พันธุมดีนครประทับอยู่ณมรุกะทายวันชื่อว่าเขมะพระเจ้าพันธุมราชได้พระราชทานแก่นจันมีค่ามากซึ่งพระราชาองค์หนึ่งได้ส่งไปถวายแก่พระธิดาองค์ใหญ่ของพระองค์คือที่เมืองพันธุมดีเนี่ยนะพระเจ้ามันพระเจ้าพันธุราชเนี่ยก็เป็นพระราชาที่ได้รับเครื่องสักการะเครื่องบรรณาการจากกษัตริย์เมืองอื่นๆ ทนี้อยู่ครั้งหนึ่งก็ได้รับพระราชทานแก่นจันทร์มีคนเอาแก่นจันรมาถวายคือทูตจากอีกเมืองหนึ่งเอาแก่นจันทมาถวายพอถวายก็แบ่งให้พระให้พระธิดาพระธิดาก็ได้เอาแก่นจันนะนะั้นบดเป็นผงละเอียดบรรจุลงในพระอบเสด็จไปวิหารบูชาพระศรีระของพระศาสดาซึ่งมีผิวดุดทองคําแล้วก็เกลี่ยผงที่เหลือลงในบริเวณพระคันธกุตี เอาเอาผงเนี่ยไปรูปพระพุทธเจ้ า, านะแล้วก็ผงที่เหลือก็โปรยรอบก็ถือว่าผงแก่นจันทแดนเนี่ยเป็นผงที่หอมอนะพอทําอย่างนั้นเสร็จก็ตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอให้หม่อมฉันพึงเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์ในอนาคตเถิดถ้าพูดแบบธรรมดาทั่วๆไปถ้าไม่ใช่คนที่สั่งสมบุญมาดีเนี่ยนะใครจะกล้าไปขอไม่ใช่ขอธรรมดา ขอให้ได้เป็นแม่พระพุทธเจ้าเหมือนกับพระองค์ในอนาคตเหมือนกนก็ถือว่านางเป็นผู้ที่สังสมบูรณ์มามีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อเป็นพระพุทธมารดาทันพอเห็นพระพุทธเจ้าก็เอาผงแก่นจันเนี่ยไปบูชาพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาให้ได้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าในอนาคตเาเรียกว่าพุทธมารดาครั้งนั้นจากชาตินั้นนางจุติจากมนุสโลกด้วยผลแห่งการบูชา ผงจันอันนั้นพระนางก็มีพระสรีระเหมือนอกด้วยจันแดงก็คือเป็นคนที่มีผิวออกแดงหน่อยนะมีผิวออกแดงหน่อยแต่ก็ไม่ใช่แดงมันนาคเกลียดนะก็คือแดงแบบงดงามอัน ห, หลายชาตินางก็มีผิวพันธุ์เนี่ยออก แ, งแดงๆพระองค์ก็ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษโลกได้เกิดเป็นอัคราเหสีของเท้าสักกะเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึง ก็ไปเป็นมเหสียอยู่นานครั้นนางเนี่ยจะสิ้นพระชนก็ได้เกิดบุพพานิมิตนิมิตเครื่องหมายของเทวดาผู้จะตายนางนี่ไม่รู้ตัวเรากว่าตัวเองเนี่ยอีกจะตายและอีกเจวันของมนุษย์จะตายแต่เท้าสักกะเนี่ยมีปัญญามากเห็นแว บ, บเดียวนี่รู้แล้วว่าบริวารของท่านเนี่ยจะตายแล้วมเหสีเนี่ยจะตายพอเท้าสั ก, กะทราบว่าพระนางจะสิ้นอายุคืออีกไม่เกินเจวันมนุษย์เนี่ยก็ไม่กี่ชั่งไม่กี่นาทีของดาวดึงเนี่ย ก็จะตายเพื่อจะอนุเคราะห์นางให้นางนี่มีสติสัมปชัญญะก็ตรัสว่าแน่แม่นางพุทธีผู้เจริญ <c oughs> เราจะให้พรแก่เจ้าเจ้าจงรับเอาพรไปเถอะพันพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าเท้าสกัดจอมเทพทรงทราบว่าพระนางนี่จะสิ้นอายุจึงตรัส ด, ดังนี้ว่าเราจะให้พรสิบประการแก่เจ้านางผู้เจริญปรารถนาพรอรันใด จริงแล้วนางเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวเองนีง้จะต้องจะต้องตายใช่ไหมไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นจะต้องสิ้นอายุเพราะมัวแต่ประมาทมัวแต่อะไรมัวแต่หลงเพลิดเพลินเก็บดอกไม้นี่นะมัวแต่เพลิดเพลินชอปปิ้งอย่างนั้นก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองจะตายเหมือนกันเพราะว่าที่ดาวดืนก็มีอะไรที่มันน่าดูหน้าเพลิดเพลินเนี่ยมากมายเหมือนในเหมือนอะไรนะเหมือนเข้าไปในห้างอย่างนั้นแหละมันมีอะไรน่าจับหน้าซื้อหน้าว่าสนุกสนานเพลิดเพลินไปหมดเลยก็ลืม เรียกว่าอะไรนะจับใจจยยนลืมเวลาตายเขาว่ากันนี่ก็เหมือนกันทั้นเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในดาวดึงเป็นต้นก็นิสัยลักษณะเดียวกันนะนะ่ะก็คือเพลิดเพลินนี่ก็อาศัยผู้ที่มีปัญญาเป็นต้นกต็ตักเตือนว่าอีกไม่นานเธอจะตายแล้วนะแต่นางก็เข้าใจผิดก็คิดว่าเท้าสกะไล่ใช่ไห้กว่าเท้าสกะนี่ไล่ให้ไปตาย เนืกว่าตัวเองนี้ทําความผิดอะไรมาจะทาบาปทํากรรมอะไรมาเนาจะต้องไล่ให้จากดาวดึงที่น่ารื่นรมหน้าเพลิดเพลินสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่ถือว่าเป็นสวรรค์ที่หน้าเพลิดเพลินพระเทระรูปหนึ่งที่ที่เรียบเรียงดีกาพระวินัยเรียบเรียงดีกาพระวินัยท่านชื่อว่าสารีบุตรภาษาบุตรเทระไม่ใช่สาริบุตรที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนะเป็นสาวพระสาริบุตรในประเทศศรีลังกา คือเนื่องจากว่าท่านมีปัญญา ม, มากภาษารีบุตรูปนี้ท่านยังตั้งความปรารถนาไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อที่จะรอได้เป็นสาวกของพระศีอริยเมตยะเนี่ยนะพันแสดงว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นเป็นสวรรค์ที่น่ารื่นรมน่าเพลิดเพลินพันพอตัวเองกำลังเพลิดเพลินในสวนเป็นต้นที่น่ารื่นรมอย่างนั้นก็เลยก็เหมือนกับว่าคาว่าให้พรในในที่ที่เธอจะไปเกิดข้างหน้าเนี่ยนะ แม้มันเหมือนกับคำสาบคำแช่งนะปรปานางก็เลยทูลถามท้าวสกกะว่าพระองค์เนี่ยมีความประสงค์จะให้หม่อมชั้นเคลื่อนจากเทวโลกเหมือนแรงลมเนี่ยพัดถอนต้นไม้เะนั้นเพราะเหตุไรเนาะพระองค์ก็บอกว่าเธอนี่ไม่ได้ทำความชั่วอะไรหรอกความผิดของเจ้าก็ไม่มีนะ จะมมตวังสิอัปติยาเจ้าไม่ได้เป็นที่เออเจ้ามิได้เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้คือเธอไม่ได้เป็นที่เกลียดชังเธอจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้ท้าวส ก, กะแสดงความประสงค์ที่จะให้พรตรัสว่าแต่อายุของเธอเนี่ยมีประมาณเท่านี้เวลานี้เป็นเวลาที่เธอจะต้องจุติคือเคลื่อนพนานก็เลยรับเอาพรสิบประการบอกว่า ตดทหัตถานางนี่มีพระไทยยินดีร่าเริงพอใจในลาบที่นางจะได้ปรารถนาะตัวเองจะตายอยู่แล้วแหละแต่ก็ดีใจอยู่อย่างหนึ่งว่าตายแบบคนมีพรนะก็ร่าเริงดีใจขึ้นมาทันทีเลยปรารถนาพรสิบประการถ้าพูดแบบภาษาทั่วๆไปเนี่ยนะถ้านางไม่มีอัธยาศัยมาแบบนี้เนี่ยพอเวลาเขาให้พรเนี่ยจะเลือกเอาสิบข้อแบบนี้ไหม แต่เนื่องจากว่ามีอัธยาศัยมีความตั้งใจก่อนหน้านี้มามากแล้วพลังก็เลยรับเอาพอรสิบประการที่บอกว่าพระนางนี่เมื่อสิ้นอายุที่ท้าวส ก, ก่าให้โอกาสเพื่อประทานพรจึงตรวจดูทั่วพื้นชมพูทวีปเรียกว่าอะไรนะเลือกก่อนใช่ไหมเหมือนคนจะเดินทางไปต่างประเทศเลือกที่พักก่อนเลือกโรงแรมเลือกอาหารเลือกที่ที่ไปอยู่ชั้นใดนางนี้เคลื่อนจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาก็ก่อนจะเคลื่อนดูก่อน ตรวจดูในพื้นชั่วชมพูทวีปก็เห็นพระราชนิเวศของพระเจ้า c ีพีเนี่ยสมควรแก่ตนนะว่าตัวเองเนี่ยเกิดที่อื่นก็ช่างเถอะแต่จะต้องไปอยู่ณนเะมืองตรงนั้นถือว่าเป็นเมืองที่ที่ดีที่สามารถเจริญกุศลก็เลยรับเอาพรสิบประการเหล่านี้คือหนึ่งขอให้ได้เป็นอัครมหสีของพระเจ้ากรุง c ีพีในแคว้น c ีพีนั้นนะานะ ข้อแรกก็คือขอให้ได้เป็นอัครมหสีเป็นใหญ่ในเมืองทีนี้เมื่อเกิดแล้วก็ขอให้มีดวงตาเนี่ยดําตาดําเหมือนตาเนื้อนะถ้าตาออกขาวๆนี่เป็นงไงตาขาวไม่ดีด้วยตาดําดีกว่านะตาขาวนี่แย่เลยนะถ้านเลือกและเหลืองด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเหี้ยมมากแต่นี่ไม่ขอให้มีดวงตาที่ดําเหมือนตาเนื้อสามขอให้มีขนคิ้วดําไม่ต้องเขียนคิ้วเหมือ น, นไม่ต้องเขียนให้มันดําตลอดไป 4. ก็ขอให้มีชื่อว่าพุทธดีอยากมีชื่อว่าพุทธดีเนี่ยนะเพราะยังไงไม่ทราบสมัยนั้นอาจจะเป็นชื่อที่เพราะมากหขอให้ไดโอรสประกอบด้วยคุณวิเศษกว่าอย่าได้ไม่ใช่ลูกธรรมดาบ้างกันขอให้ลูกมีความพิเศษ 6. ขออย่าให้คันเนี่ยนูนโตหมายกาว่าถ้ามีท้องแล้วท้องก็ไม่ต้องโตแบบชาวบ้านชาวเมืองก็หรอกเเมื่อยุมากแล้วทันก็อย่าหย่อนยาน ห้อยแทบไม่ต้องห้อยแบบนั้นหรอกว่างั้นแปดขออย่าให้ผมงอกเก้าขอให้ผิวละเอียดสิบขอให้ปล่อยนักโทษที่ต้องประหารชีวิตเนี่ยนะพูดถึงไอข้อสุดท้ายเนี่ยขอให้ได้ปล่อยนักโทษที่ประหารชีวิตมีโอรสกษัตริย์อยู่เมืองหนึง่งเป็นโอรสพิเศษเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อไม่ไม่กี่วันมาเนี่ยพอพระองค์ประสูตรมาเท่านั้นเนี่ยแม่เนี่ยเป็นหญิงสามัญชนเนี่ย พระเจ้าพ่อเนี่ยอภิเษกให้เป็นอัครามเหสีเลยแล้วปล่อยนักโทษทั่วประเทศเนี่ยนะปล่อยจากนักโทษทั่วประเทศจากที่คุ้มขังพอประสูต์เสร็จเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีบุญมากนะสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่แต่โบราณเท่านั้นครั้งพนางได้รับพรสิบประการแล้วก็จุติจากเทวโลกมาบังเกิดในพระคันของพระอัครมเหสีของพระเจ้ามัทราชมัทราชนี่เรียกว่าเป็นเมืองหญิงงามเหมือนกัน ปกตินางก็มาเกิดที่นี่อันหนึ่งเมื่อพระนางประสูตรมีพระสรีระนิ้อบด้วยผงจันด้วยเหตุนั้นในเวลาขนานนามจึงชื่อว่าพุสดีอบด้วยผงจันแดงนะก็ผิวจะออกแดงๆหน่อยพระนางพุสดีนั้นมีบริวารมากเมื่อพระชนได้16พรรษาก็มีพระรูปโฉมงดงามอย่างยิ่งครั้งนั้นพระเจ้าซีพีมหาราชก็นำพระนางมาเพื่ออภิเสกสมรสกับพระเจ้าสรรชัยกุมาร ผู้เป็นพระราชโอรสพออภิเศก น, นะหมายถาว่าอภิเษกสมรสเสร็จก็รับสั่งให้ยกสเสวตชัติส่งตั้งพระนางพุทสเดียไว้ในตำแหน่งอัครมหิสีให้เป็นใหญ่กว่าสตรี 16,000 นพนนางคือกษัตริย์ในยุคนั้นเนี่ยนะเป็นกษัตริย์ที่รักโอรสมากเพราะฉะนั้นเมื่อโอรสแต่งงานแล้วจะต้องให้ครองบัลลังก์ทันทีตัวเองก็เป็นที่ปรึกษา นะโตก็ไปไปอยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษาพระราชานะนะเป็นคอยที่ยูโอวาดเบื้องหลังของของการปกครองบ้านเมืองนะนะพระนั้นจะให้ลูกเนี่ยครองราชเลยอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไปว่าพระนางุูสดีจุติจากเทวดาชั้นดาวดึงนั้นแล้วก็มาบังเกิดในตระกูลกษัตริย์ได้พิเศษสมรสกับพระเจ้ากรุงสนชัยในกรุงเชตุดอน พนางพุสดีนั้นเนี่ยนะเป็นที่รักเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้ากรุงสัญชัยทีนี้พระโพธิสัตว์ในพุทธพจน์ธอธิบายว่าเมื่อในการเมื่อเราเนี่ยนะยังลงสู่พระคันของพนางพุสดีพระมารดาก็เป็นที่รักของเรา เ, เป็นที่รักด้วยเดชของเราคือเมื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยมาปฏิสนธิในพระคันของพนางพุสดี ทุกคนรักพระรักมารดาพระโพธิสัตว์หมดเพราะอะไรเพราะอนุภาพของบุตรที่อยู่ในคันซึ่งต่างจากมารดาของบางคนนะพอลูกเกิดในคันเท่านั้นแหละโอจงเกลียดจงชังไปทั่วไปหมดเลยพระมารดาของเราเนี่ยเป็นผู้ยินดีในทานทุกเมื่ออนเนี้ยด้วยเดชของพระโพธิสัตว์นะทำให้แม่ยินดีที่จะให้ทานพระองค์นี้ทรงให้ทานแก่คนยากจนคนป่วยไข้คนกระสับกระส่าย คนแก่ยาจกคนเดินทางสมณะพราหมณ์คนสิ้นเนื้อประดาตัวคนไม่มีอะไรเลยพระนางพุทธีนั้นทรงพระคันอยู่ครบสิบเดือนเมื่อพระเจ้าสรรชัยเนี่ยทรงทาประทักษิณพระนครพระนางก็ประสูตดเราณนทะ่ามกลางถนนของพวกคนค้าขายนามของเราจึงไม่เนื่องข้างฝ่ายพระมารดาใคร่ว่าวมีชื่อไม่เกี่ยวกับพ่อมีชื่อไม่ได้เกิดเนื่อง ข้างฝ่ายบิดาเพราะเราเกิดที่ถนนของคนค้าขายเพราะฉะนั้นเราจึงมีชื่อว่าเวสันดรนเนะเวสะก็คือพ่อค้านะเวสะก็คือก็คือเกิดในถนนของพ่อค้าก็เลยชื่อว่าเวสันดรเล่าเรื่องย้อนนิดหนึ่งะนะหลังจากที่พระนางผุดสีเนี่ยมาเกิดเอ่อมาได้เป็นมหิสีของพระเจ้ากรุงสันชัย ท้าวสาก่าก็รำพึงเห็นว่าพรที่เราได้ให้แก่พนางผุ้สดีไปนั้นสำเร็จไปแล้ว9กประการคิดต่อไปว่าพรเกี่ยวกับโอรสยังไม่สำเร็จคือยังไม่มีลูกเลยพนางผุ้สดีอภิเสกสมรสไปแล้วก็ยังไม่มีลูกเราจะให้พรนั้นสำเร็จแกนางท้าวสาก่าก็เห็นว่าพระโพธิสัตว์จะสิ้นอายุในเทวโลกชั้นดาวดึงครั้นแล้วก็ไปยังสำนักของพระโพธิสัตว์ตรัสว่าท่านผู้นิรุต ท่านสมควรถือปฏิสนธิในครันของพระอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงสันชัยในแคว้นสีพีในมนุษยโลกก็ไปขอร้องก่อนว่าถ้าท่านไปเกิดเนี่ยเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงสันชัยนะท่านจะได้สร้างบารมีอย่างที่ท่านปรารถนาะก็คือวิธีขอร้องเขาก็มีวิธีการนะนะมันท้าวสักกะก็ไปขอร้องพระโพธิสัตว์ จริงๆก็ตัวเองเนี่ยอะไรนะได้ให้พรไว้แล้วใช่ไหมก็ต้องหาลูกที่สมควรให้ด้วยพระโพธิสัตว์ก็ให้พระโพธิสัตว์รับปฏิญญาพ ร, พระพระโพธิสัตว์รับปฏิญญาพร้อมด้วยเทพบุตอีกหกหมื่นที่ปฏิบัติตามเทวะบัญชาเท้าวสากาก็กลับไปยังวิมานของพระองค์ พระโพธิสัตว์ก็จุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็บังเกิดในแคว้นซีพีแม้เทพบุตรที่เหลือก็บังเกิดในเรือนของเหล่าอมาตหกหมื่นพระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันพระนางพุทดีเทวีก็รับสั่งให้สร้างโรงทาน